พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่8ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจของการบรรลุนิพพานสมถะวิปัสนาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับอนัตตาและนิพพานสมเด็จพระพุทธโคสอ า, าจารย์ปออปยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่หหเสียงอ่านโดยอริยคุณจมรมผลดี จัดทําโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตพรธิดาน า, าคกรายกุลยานินเวงเกตร่วมจัดทําโดยจันทิมาหล่อปรีชากุลนัทธานิชาบุญญวัฒพัทราวุฒสิงสีครอบครัวทรงพลปฏิพัทพลายแก้วจนวัฒเทียมบุญประเสริฐร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง